วันนี้เป็นวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์พุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสามเป็นวันพระวันธรรมสวนระวันฟังธรรมเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติ ให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดเพื่อมาศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้รู้ว่าการมาเกิดเป็นมนุษย์และการได้มาพบกับพระพุทธศาสนามีคุณประโยชน์อย่างไร ต่างกับการมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาอย่างไรการมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาก็เป็นเหมือนกับการซื้อลอตเตอรี่แต่ไม่มีที่ไปขึ้นรางวัลไม่มีที่ไปตรวจรางวัล ว่าลอตเตอรี่ที่ซื้อนี้ถูกหรือไม่ถูกถูกรางวัลอะไรบ้างแต่ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วได้พบกับพระพุทธศาสนาก็เหมือนกับการซื้อลอตเตอรี่แล้วก็มีที่ไปตรวจรางวัลและมีที่ไปรับรางวัลนี่คือ ความแตกต่างระหว่างการได้มาพบกับพระพุทธศาสนาหรือไม่ถ้าไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาเราก็ไม่รู้ว่าเราถูกรางวัลอะไรและจะไปรับรางวัลได้ที่ไหนอย่างไรแต่พอมีพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาก็จะบอกเรา ให้รู้ว่าเราถูกรางวันที่หนึ่งแล้วเราถูกรางวันที่สองแล้วเราถูกรางวันที่สามแล้วแล้ววิธีจะไปขึ้นรางวันไปขึ้นที่ไหนอย่างไรพระพุทธศาสนา <c oughs> ก็จะบอกให้เรารู้กันนี่แหละคือ การได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้พบกับพระพุทธศาสนาถือว่าจะได้รับประโยชน์อย่างยิ่งต่อจิตใจถ้ามาเกิดโดยที่ไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาก็ไม่รู้ว่ามาเกิดทําไมพวกเรารู้กันบ้างหรือเปล่าว่าเรามาเกิดทําไมกันบางคนก็ไม่รู้ รู้เพียงแต่ว่าเมื่อมาเกิดแล้วก็ต้องดิ้นรนเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแล้วก็ทำอะไรตามความอยากต่างๆเพื่อที่จะได้มีความสุขแต่มันก็เป็นความสุขแบบชั่วคราวทำอะไรได้อะไรมามากน้อยเพียงไรทำไปแล้วได้มาแล้ว ความสุขที่ได้มาเดี๋ยวมันก็หมดไปแล้วก็ทําให้รู้สึกขาดนูน่นขาดนี่ยังไม่รู้สึกอิ่มไม่รู้สึกพอได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอทํามากน้อยเพียงไรก็ไม่อิ่มไม่พอก็เลยบางทีจึงมีคําถามเกิดขึ้นมาว่า เราเกิดมาทำไมกันวะเกิดมาแล้วมันรู้สึกว่ามีแต่เรื่องมีแต่ปัญหามีแต่ความวุ่นวายใจพยายามหาความสุขมันก็ได้เดียวๆได้แล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปเดี๋ยวความทุกข์ก็เข้ามาความเบื่อหน่ายก็เข้ามามีแต่ ความไม่สบายใจต่างๆให้ได้พบได้เห็นอยู่เรื่อยๆนี่คือความคิดของผู้ที่ไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาถึงแม้จะมีพระพุทธศาสนาแต่ก็ไม่รู้ว่าพระพุทธศาสนามีไว้ทำไมจะรู้ได้ก็คือต้องศึกษา จากพระพุทธศาสนาต้องมีโอกาสได้ยินได้ฟังธรรมอย่างที่ท่านได้มาฟังธรรมกันในวันนี้หรือไม่เช่นนั้นก็อาจจะได้หนังสือธรรมะไปอ่านโดยบังเอิญธรรมะนี่เป็นของที่ไม่มีใครอยากจะได้กันถึงแม้เป็นหนังสือที่ให้ฟรีฟร ไม่ต้องซื้อก็ยังไม่มีใครอยากจะหยิบกันยอมเสียเงินซื้อหนังสือที่ไม่มีสาระประโยชน์ไม่ได้ตอบคำถามสำคัญของชีวิตว่าเราเกิดมาทำไมกันเกิดมาแล้วเราจะได้อะไรกันบางคนไม่รู้ส่วนใหญ่ไม่รู้คนที่ไม่ได้ อ่านหนังสือธรรมะคนที่ไม่ได้ฟังธรรมจะไม่รู้ว่าเกิดมาทําไมกันหรือความสุขที่จริงแท้นั้นอยู่ที่ไหนจะไม่มีใครรู้รู้แต่ความสุขที่เป็นความสุขแบบชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไป พอหมดไปความเศร้าโศกเสียใจความเหงาความว้าเวก็เข้ามาแทนที่นี่แหละคือการมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วไม่มีพระพุทธศาสนาหรือไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาบางทีมีพระพุทธศาสนาแต่ ไม่ได้เข้าหาศาสนาก็เหมือนกับไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเนี่ยบางคนอยู่ใกล้พระพุทธศาสนาแต่กับเหมือนอยู่ห่างไกลเพราะไม่ได้เข้าหาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าบางคนอยู่อีกซีกหนึ่งของโลกแต่กับ ได้พบกับพระพุทธศาสนาเพราะได้ศึกษาได้อ่านหนังสือธรรมะของพระพุทธเจ้าถึงแม้ว่าจะอยู่ในประเทศที่ไม่มีพระพุทธศาสนาก็ตามแต่กลับอยู่ใกล้พระพุทธศาสนากว่าคนที่เกิดในประเทศที่มีพระพุทธศาสนาแต่ไม่ได้ ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนในสมัยพศพุทธกาลพระพุทธเจ้าก็เคยทรงตรัสไว้กับคนที่ชอบเกาะชายผ้าเหลืองคนที่ชอบอยู่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าคิดว่าการอยู่ใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้าแล้วจะได้ประโยชน์พระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าถึงแม้เธอจะอยู่ใกล้ชิดเรา ก็ติดชายผ้าเหลืองของเราแต่ถ้าเธอไม่ได้ศึกษาคำสั่งคำสอนของเราเธอก็อยู่ห่างไกลจากเราการอยู่ใกล้ทางร่างกายนี้ไม่ได้หมายถึงว่าเราอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าการอยู่ใกล้กับพระพุทธศาสนาไม่ได้หมายความว่าเราอยู่ใกล้กับพระพุทธเจ้า แต่ถ้าเธออยู่ห่างไกลของจากเราเป็นโยต์แต่ถ้าเธอศึกษาคาสั่งคาสอนของเราและปฏิบัติตามคาสั่งคาสอนของเราของเราเธออยู่ใกล้เราเธออยู่เหมือนกับได้เกาะชายผ้าเหลืองของเราเธอจะได้รับประโยชน์จากเรานี่นี่คือเรื่องของพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามาหาศาลต่อจิตใจของพวกเราทุกคนแต่ถ้าพวกเราไม่ศึกษาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแม้จะมาวัดก็เหมือนกับมาไม่ถึงวัดบางท่านไปวัดกันไปก็ไปที่โบสถ์แล้วก็ไปจุดธูปเทียน แล้วก็ขอพอรต่างๆบางวัดก็มีเสียงซ m c ให้เสียงด้วยแทนที่จะไปอ่านหนังสือธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ไปอ่านใบ CMC กันแทนอ่านว่าอนาคตจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้จะมีเงินมีทองจะมีตำแหน่งมียศจะมีความสุขอย่างนั้นอย่างนี้ ถ้าไปอย่างนี้ก็เหมือนกับไปไม่ถึงวัดไปไม่ถึงพระพุทธเจ้าไปไม่ถึงใบตรวจลอตเตอรี่ซื้อลอตเตอรี่แล้วแต่ไม่รู้ว่าถูกรางวัลหรือไม่และวิธีที่จะขึ้นรางวัลขึ้นอย่างไรแต่ถ้าเราได้พบกับพระพุทธศาสนา หรือได้หนังสือธรรมะคาสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าแเราศึกษาเริ่มอ่านเมื่ออ่านไปอ่านไปก็จะได้ความรู้เพิ่มเติมขึ้นมาตามลําดับถ้าอ่านเล่มแรกเสร็จแล้วรับรองได้ว่าอยากจะอ่านเล่มที่สองเล่มที่สาม พอรู้สึกว่ามีความรู้อีกมากมายที่จะสามารถเรียนรู้ได้จากพระพุทธศาสนาแล้วพอได้เรียนรู้แล้วทีนี้ก็รู้ว่าการเรียนรู้เพียงอย่างเดียวนี้อย่างไม่เพียงพอเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะไปรับรางวัลเบื้องต้นเรียนรู้ว่าเราจะได้รับรางวัลอะไรบ้าง ถ้าอยากจะได้รางวัลเราก็ต้องไปขึ้นรางวัลกั น, <c oughs> นการมาเกิดเป็นมนุษย์ของพวกเรานี่เป็นเหมือนกับการถูกลอตเตอรี่มีรางวัลต่างๆให้เราเลือกรับได้มีตั้งแต่รางวัลระดับต่าขึ้นไปจนถึงรางวัลระดับสูงสุด ล้วรางวัลระดับแรกที่เราจะรับได้ก็คือการได้เป็นมนุษย์อยู่เรื่อยๆการรักษาความเป็นมนุษย์ของเรานี้จะต้องรักษาอย่างไรไม่ให้เราต้องไปเกิดในอบายกันนี่คือรางวัลขั้นต่าขั้นแรกที่เราจะสามารถที่จะ ไปรับได้รางวัลที่สูงกว่านี้ที่มีมีรางวัลสูงกว่านี้ก็รางวัลขั้นที่สองคือการได้ไปเป็นเทพเป็นเทวดารางวัลขั้นต่อไปก็ขั้นที่สามก็คือขั้นได้เป็นพรหมแล้วขั้นต่อไปขั้นที่สี่ก็ได้เป็นพระอาริยบุคคล พารยาบุคคลก็มีแบ่งเป็นสี่ขั้นด้วยกันขั้นโสดาบันขั้นสกิทาคามีขั้นอนาคามีและขั้นอรหันนี่คือรางวัลต่างๆที่การมาเกิดเป็นมนุษย์ของพวกเรานี้สามารถทำให้เราไปรับรางวัลเหล่านี้ได้ เรามีส well. ิทธิทุกคนอยากจะเป็นมนุษย์ต่อไปเรื่อยๆก็สามารถเป็นได้อยากจะไปเป็นเทวดาอยู่เรื่อยๆก็เป็นได้อยากจะเป็นพรหมอยู่เรื่อยๆก็เป็นได้อยากจะเป็นพระอริยบุคคลอยู่เรื่อยๆก็เป็นได้และระดับของการเป็นบุคคลเหล่านี้ ก็มีระดับของความสุขเพิ่มขึ้นไปตามลำดับความสุขของมนุษย์นี้น้อยกว่าความสุขของเทวดาความสุขของเทวดาก็น้อยกว่าพรหมความสุขของพรหมก็น้อยกว่าของพระอริยบุคคลนี่คือรางวัลต่างๆที่ เราสามารถที่จะใบรับกันได้ถ้าเรามาเกิดเป็นมนุษย์สมมติว่าถ้าเรามาเกิดเป็นสัตว์ที่อยู่ในป่านี่เช่นเป็นนกเป็นกระรอกเป็นสัตว์เลื้อยคลานต่างๆถึงแม้ว่าจะมีพระพุทธศาสนามีวัดตั้งอยู่บนเขานี่ก็ตามแต่ถ้ามาเป็นเดรัจฉานแล้วก็จะไม่มีสิทธิ์ ที่จะไปรับรางวาัลต่างๆได้การได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี้จึงถือว่าเป็นการถูกลอตเตอรี่เป็นการได้ซื้อลอตเตอรี่และถูกลอตเตอรี่กันแต่ถ้าไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็จะไม่มีสิทธิ์ที่จะมารับรางวาัลต่าง ๆ, ๆเหล่านี้ได้นี่คือประโยชน์ ของพระพุทธศาสนาที่จะมอบให้กับพวกเราผู้ที่มาเกิดเป็นมนุษย์กันดังนั้นถ้าเราอยากจะได้รับรางวัลต่างๆที่มนุษย์สามารถที่จะไปรับได้พวกเราก็ต้องศึกษาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า เพื่อที่จะได้รู้วิธีที่จะไปรับรางวาัลต่างๆว่าจะรับได้อย่างไรถ้าเรายังอยากจะเป็นมนุษย์ไปเรื่อยๆตายจากชาตินี้ไปแล้วก็อยากจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อกีกอยากจะกลับมาพบกับพระพุทธศาสนาอีกสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องละการกระทาบาปทั้งปวง และการเสพอบายามุขทั้งปวกนี่เป็นวิธีที่จะรักษาความเป็นมนุษย์ของเราไว้ไม่ให้ชีวิตของพวกเราตกต่าไม่ให้เราต้องไปเกิดเป็นสัตว์ในละชานในชาติหน้าถ้าเราตายทุกคนพวกเราทุกคนเดี๋ยวก็ต้องตายกันไปพอเราตายไปแล้ว เราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปเป็นอะไรกันต่อถ้าเราไม่ได้มาศึกษาพราะธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่พอเราได้ศึกษาคำสั่งคาสอนแล้วเราจะรู้ว่าถ้าเราอยากจะกลับมาเป็นมนุษย์ต่อไม่อยากไปเกิดในอบาย ไม่อยากไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่อยากไปเกิดเป็นเปรตเป็นอสูรกายไปตกนรกเราสามารถป้องกันได้ห้ามได้การไปเกิดในอบายนี้มีเหตุที่ทำให้ไปเกิดกันถ้าเราไม่ทำเหตุนั้นมันก็ ไปเกิดไม่ได้ดังนั้นเหตุที่ทําให้เราไปเกิดในอบายนี้ก็คือการกระทําบาปและการเสพอบายามุขทําไมถึงไม่ควรเสพอบายามุขเพราะว่าการเสพอบายามุขเป็นการดึงจิตใจให้ไปทําบาปต่อไปเพราะการเสพอบายามุขนี้ คือการดื่มสุรายา่าเมาการเล่นการพนันการเที่ยวเตะความเกียดคร้านและการคบคนชอบอาบายามุขเป็นมิตรเป็นการกระทําที่ไม่มีรายได้มีแต่รายจ่ายดื่มสุราก็ต้องเสียเงินทองเล่นการพนันไม่ช้าก็ต้องเสีย เวลาได้ก็อยากจะเล่นต่อเพราะคิดว่าเก่งแต่พอเสียก็อยากจะเอาคืนก็ต้องเล่นไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยๆเล่นไปนานๆเดี๋ยวก็หมดเงินทองก็หมดหรือการไปเที่ยวเตะก็เป็นการสูญเสียเงินทองไม่มีรายได้้าเที่ยวแบบ เป็นอาจินเที่ยวแบบทำให้เสียงานเสียการไม่ไปทำงานทำการไม่ไปทำมาหากินต่อไปเงินทองที่มีอยู่ก็จะหมดพอหมดแต่ยังอยากเที่ยวยังอยากดื่มสุรายังอยากเล่นการพนันอยู่ก็จะทำให้ต้องไปหาเงินทองแบบง่ายๆเร็วๆและมากมาก ก็ต้องทําด้วยการทําบาปด้วยการช่อโกงหลอกลวงด้วยการนักทรัพย์ของผู้อื่นหรือด้วยการป้นจี้ที่อาจจะทําให้เกิดการฆ่ากันตายมาเกิดฆ่ากันตายได้นี่คือเหตุที่ทําให้คนไปทําบาส่วนหนึ่งเกิดจากการไปเสพใบายามุกนั่นเอง ดังนั้นถ้าเราอยากจะรักษาการเป็นมนุษย์ของเราให้เป็นมนุษย์ไปเรื่อยๆทุกภพทุกชาติเราต้องอย่าไปเสพอบายามุขกันอย่าไปดื่มสุรายาเมาอย่าไปเล่นการพนันอย่าไปเที่ยวเตรอย่ามีความเกลียดคล้านแล้วก็อย่าคบคนชอบอบายามุขเป็นมิตร ถ้าคบกับคนที่ชอบดื่มสุราเขาก็จะชวนเราไปดื่มสุราคบกับคนที่ชอบเล่นการพนันเขาก็จะชวนเราไปเล่นการพนันคบกับคนที่ชอบเที่ยวเตะเขาก็จะชวนเราไปเที่ยวเตรคบกับคนที่ชอบความเกียจค้านเขาก็จะชวนให้เราเกียดค้านเห็นถ้าเขาเป็นคนแบบนี้อย่าไปคบกับเขา แต่ไม่ได้หมายความว่าไปรังเกียจเขาคือถ้ามีความจําเป็นที่จะต้องทำภารกิจอะไรร่วมกันก็ทำได้ถ้าเป็นการกระทาที่มีคนมีประโยชน์ก็ทำกันแต่พอเขาชวนให้เราไปเสพอบายามุขเราก็ต้องปฏิเสธไปถ้าคิดว่าจะเสียเพื่อนก็เสียไปเสียเพื่อนดีกว่าเสียตัว เสียความเป็นมนุษย์นะเพราะถ้าไปเสพแล้วติดแล้วมันจะเสพอยู่เรื่อยๆแล้วเดี๋ยวก็จะต้องหมดเงินทองต้องไปหาเงินทองโดยวิธีทำบาปกันนี่คือเรื่องของอบายามุขที่จะทำให้เราไปทำบาปแต่ก็ไม่ใช่เรื่องเดียวการทำบาปนี่มีหลายเหตุด้วยกันนะการที่ ทำให้คนที่ตายไปแล้วไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานี่เหตุนันคืออะไรเหตุก็คือการทำบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ว่าการกระทำบาปนี้มีผลต่ออนาคตของตนคิดว่าทำไม่ผิดกฎหมายแต่แต่ผิดศีลเช่นทำอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าวัวฆ่าควายฆ่าปลาฆ่าอะไรต่างๆเพื่อจะได้มีรายได้มาเลี้ยงชีพเนี่ยโดยที่ไม่คิดว่ามีผลเสียหายกับตนเพราะทางกฎหมายก็ไม่ผิดนีทำแล้วไม่ต้องไปติดคุกติดตารางแต่ผิดทางกฎแห่งกรรม ใครทําบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ว่าเป็นบาปว่าจะทําให้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานพอตายไปแล้วจิตใจก็จะไปได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานถ้าทําบาปด้วยความโลภอยากได้มากๆอยากได้ง่ายๆอยากได้เร็วๆก็จะไปเป็นเปรต เป็นดวงวิญญาณไม่มีรูปร่างไม่มีร่างกายเหมือนสัตว์เบลาชานแต่เป็นดวงวิญญาณที่มีความทุกข์ที่เกิดจากความหิวโหยเกิดจากความอดอยากขาดแคลนถ้าทำบาปด้วยความกลัวตายไปก็จะเป็นอสุรกายเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหวาดกลัว มีแต่เรื่องหวาดกลัวให้คอยทุกข์ให้คอยกังวลอยู่เรื่อยๆนะแล้วถ้าทำบาปด้วยความโกรธด้วยความแค้นด้วยความอาฆาตพยาบาทนะตาต่อตาฟันต่อฟันนะตายไปก็จะไปตกนรกนะไปอยู่ที่มีแต่เหตุการณ์ที่ฆ่าฟันกัน ทำลายล้างกล้างแค้นกันไม่รู้จักจบจากสิ้น น, นี่แหละคือผลที่เกิดจากการทำบาปและการเสพอบายามุกถ้าไม่อยากที่จะไปเกิดในอบายก็ต้องพยายามรักษาศีลห้าให้ได้รักษาศีลห้าให้เป็นนิสัยให้เป็นนิจศีล ไม่ใช่รักษาเฉพาะเพียงวันพระวันเดียววันอื่นก็ไปทําบาปกันที่ให้รักษาในวันพระก็เพราะเป็นการเป็นจุดเริ่มต้นของการรักษาศีลกันธรรมดาเวลาไปทํางานทําการก็อาจจะรู้สึกว่าถ้ารักษาศีลแล้วจะทํางานไม่สะดวกพ่อค้าแม่ค้าบางคนเขาบอกว่าค้าขายไม่สะดวกถ้า ไม่โกหกต้องพูดโกหกถึงจะขายได้ถ้าพูดความจริงแล้วขายไม่ได้ก็เลยต้องโกหกแต่ถ้าอยากจะรักษาอยากจะเป็นมนุษย์ไปเรื่อยๆก็ต้องหัดรักษาสีหน้าให้ได้ซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นของยากเย็นอะไรถ้าเรามีความตั้งใจและมีจุดเริ่มต้น เราตั้งใจว่าเราอยากจะเป็นมนุษย์ไปเรื่อยๆ อ, อยากจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไปเรื่อยๆไม่อยากจะไปเกิดในอบายเราก็ต้องรักษาศีลห้ากันให้ได้ถ้ายังรักษาไม่ได้ยังไม่เคยรักษาเลยก็มาลองเริ่มที่วันพระกันเพราะวันพระนี่เป็นวันหยุดทํางานสมัยก่อนเราจะหยุดทํางานในวันพระกัน การจะรักษาศีลห้ามันก็จะง่ายเพราะไม่ต้องไปทำงานทำการในวันนั้นก็เลยให้มาลองหัดรักษาสีลห้าในวันพระก่อนแล้วต่อไปพอเห็นคุณประโยชน์เพราะนอกจากที่จะรักษาความเป็นมนุษย์แล้วยังทำให้ใจสบายเวลาไม่ทำบาปในี้ใจจะสบายกว่าเวลาที่ทำบาป เวลาทำบาปแล้วจะรู้สึกไม่สบายใจพอเห็นคุณประโยชน์ของการรักษาศีลว่าทำให้จิตใจมีความสบายไม่วิตกไม่กังวลไม่หวาดกลัวกับโทษที่จะตามมาก็จะอยากจะรักษาเพิ่มขึ้นต่อไปก็จะรักษาเพิ่มเป็นสองวันสามวันสี่วัน พอรักษาไปเรื่อยๆก็จะรู้สึกว่ามันง่ายนะเพราะมันไม่ยากเย็ยนอะไรการรักษาศีนี้มันง่ายกว่าการทําบาปเนี่ยนั่งเฉยๆนี่เราก็มีศีนแล้วเนี่ยตอนนี้เรามีศีนห้าครบกันแล้วจะทําบาปแต่ละครั้งมันก็ยากจะโกหกใครก็ต้องนั่งคิดให้ดีก่อนว่าจะโกหกอย่างไรโกหกเพื่อให้ไหม่ให้เขารู้ว่าเราโกหกเนะี่ยต้องพูดอย่างไง สู้อยากโกหกมันง่ายกว่าเฉยๆเสียไม่ต้องพูดไม่ต้องตอบถ้ารู้ว่าถ้าต้องโกหกก็อย่าไปพูดเสียทั้นเองง่ายกว่าการรักษาศีลจริงๆมันง่ายกว่าการทำบาปการจะไปรักทรัพย์ก็ต้องไปดูแล้วว่าที่ไหนมีทรัพย์ให้รักบ้างต้องไปสอดแนมดูก่อนต้องไปดูลาดเราก่อนมาเจ้าของบ้านอยู่บ้านในเวลาไหนไม่อยู่บ้านในเวลาไหน มีตำรวจผ่านมาแถวนั้นบ้างหรือเปล่า<น>ยากนะการทำบาปเมื่อเปรียบเทียบกับการไม่ทำบาป<ม>การไม่ทำบาปนี่ง่ายแสนง่ายแต่ไม่รู้กัน<ม>เพราะอาจจะเป็นเพราะเคยทำบาปจนเป็นนิสัย<ม>พออะไรมันเป็นนิสัยแล้วพอจะหยุดมันนี่รู้สึกว่ายากเช่น<ม>ถ้าเรามีนิสัยใช้มือขวา เราก็จะชอบใช้มือขวาไปเรื่อยๆถ้าบอกว่าให้เปลี่ยนมาใช้มือซ้ายเราก็จะรู้สึกว่ามันยากเพราะเราไม่เคยใช้มือซ้ายมาก่อนแต่ถ้าเราลองมาหัดใช้มือซ้ายสมมติว่ามือขวาเสียมือขวาเจ็บใช้งานไม่ได้เราก็ต้องมาหัดใช้มือซ้ายพอเริ่มหัดใช้ไปเรื่อยๆต่อไปเราก็จะใช้มือซ้ายได้เหมือนกับเราใช้มือขวา อันนี้ก็เหมือนกันการไม่รักษาศีนี้มันอาจจะเป็นนิสัยของพวกเราบางคนพอเราไม่ได้รักษาศีนพอเราไม่ได้รักษาศีลพอจะมาให้รักษาศีนเราก็จะรู้สึกยากเพราะมันต้องฝืนนั่นเองเคยดื่มสุราพอบอกว่าไม่ให้ดื่มสุราก็รู้สึกยากพอเคยโกหกอยู่เรื่อยๆ พอบอกว่าไม่ให้โกหกนี่ก็จะรู้สึกว่ายากเป็นว่าความจริงไม่ยากเลยเรื่องการไม่โกหกนี่ก็อย่าพูดเท่านั้นเองถ้าเรารู้ว่าเราจะต้องพูดโกหกแลเรารู้ว่ามันไม่ดีมันจะพาให้เราไปเกิดในอบายต่อไปเราก็ไม่พูดเฉยเฉยไปกันแล้วกันเขาถามอะไรเราพูดความจริงไม่ได้เราก็เฉยเฉยไปหรือพูดเรื่องอื่นไปก็ได้มีเรื่องที่จะพูดได้ร้อยแปดเรื่อง พูดเรื่องฝนวันนี้จะตกหรือเปล่าพรุ่งนี้อากาศจะหนาวหรือเปล่าพูดไปด้อยากจะพูดนยอย่าไปพูดโกหกนะว่ามันมีโทษตามมานี่คือเรื่องของการรักษาศีลห้าไม่ยากหรอกถ้าเราลองศึกษาดูจริงๆแล้วถ้าเรามีความตั้งใจ เพราะถ้าเรารู้ว่าประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการรักษาศี่ห้านี้มีค่ามหาศาลมันก็จะทำให้เรานี่อยากจะรักษาศี่ห้ากันที่ไม่รักษากันก็เพราะว่าไม่รู้รักษาไปแล้วจะได้อะไรกลับกลับไปเห็นว่ากลับเสียประโยชน์เพราะถ้าไม่โกหกก็จะขายของไม่ได้หรือขายได้ก็อาจจะได้กําไรน้อย แต่ถ้าโกหกแล้วนี้อาจจะได้กําไรมากกว่าก็เลยมองไปมองประโยชน์ที่ไม่มีสาระคุณกับจิตใจคือเงินทองหรือสิ่งของต่างๆที่เราเพึงจะได้แต่เราไม่รู้ว่าเราเสียประโยชน์ทางจิตใจไป<ม>เราเสียความเป็นมนุษย์ไป<ม>เรากลายเป็นสัตว์เดรัจฉานไปหรือกลายเป็นเปรตไปแต่ถ้าเรามาศึกษาธรรมะแล้วเรา ศึกษาเหตุและผลของการกระทาบาปแล้วมันก็จะทําให้เราไม่อยากจะทําบาปมันก็จะทําให้เราอยากจะรักษาศีลขึ้นมาพอเรามีความอยากแล้วอะไรมันก็ง่ายไปหมดเราอยากจะทําอะไรนี้มันก็เราก็จะทํากันได้พาะเราจะมีความพยายามมีความอดทนอยากจะเป็น อยากจะเรียนจบปริญญาเราก็อดทนไปโรงเรียนมีความพยันพยายามไปเรียนหนังสือไปทําการบ้านไปทําอะไรต่างๆเพราะเรารู้ผลของการเรียนจบปริญญาว่าดีอย่างไรนั่นเองดีกว่าคนที่ไม่เรียนจบปริญญาคนจบปริญญาก็จะได้มีงานทําที่ดีงานก็สบายไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยไม่ต้องใช้แรง คนที่ไม่จบปริญญานี้ก็อาจจะต้องไปใช้ทำใช้ทางานที่ต้องใช้แรงใช้กําลังกายก็ต้องเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าทางร่างกายเนี่ยพอเรารู้ผลของการกระทาว่ามีประโยชน์อย่างไรมันก็จะทำให้เราเกิดความยินดีที่จะกระทานั่นเองเนถ้าเรารู้ว่าอนาคตของเราร่างกายเราตายไปแล้ว เราจะไม่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เราจะไปเป็นแมวบ้างเป็นสุนัขบ้างเป็นไก่บ้างเป็นเป็ดบ้างเราจะอยากไปเป็นสัตว์เหล่านั้นไหมแล้วถ้าเรารู้ว่ามีวิธีที่จะป้องกันไม่ให้เราไปเป็นสัตว์เหล่านั้นเราจะป้องกันหรือไม่เช่นตอนนี้เรารู้ว่ากำไมมีโรคหวัดระบาดเนี่ยถ้าเรารู้ว่ามียาฉีดแล้วทำให้เรา ไม่ต้องติดโรคระบาดเราจะไปฉีดยากันไนหะรับรองวิ่งไปฉีดกันเข้าแถวยาวเหยียดเลยทำไมไม่ไปฉีดยาที่จะป้องกันไนมะ่ให้เราไปเป็นนกเป็นแมวเป็นหมากันนะก็ไปรักษาศีลห้ากันเท่านั้นเองรักษาศีลห้าได้แล้วพระพุทธเจ้ารับประกันว่าอบายนี้จะไม่เป็นที่ไปของดวงวิญญาณของพวกเรา พวกเราจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ทันทีไม่ต้องไปรับใช้กรรมไปไปใช้บาปใช้กรรมในอบายก่อนเราได้กลับมาเกิดมนุษย์กันแต่ช้าหรือเร็วเท่านั้นถ้าทาบาปก็ต้องไปติดคุกในอบายก่อนอบายนี้เป็นเหมือนคุกตารางต้องไปอยู่ไม่รู้กี่พบกี่ชาติก้าเป็ดข้าไก่ไกี่ตัวก็ต้องกลับไปเกิดเป็นเป็ดเป็นไก่เท่านั้นตัวก้า มันอาจจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้นี่ก็อีกอาจอีกหลายหลายร้อยปีหลายพันปีด้วยกันแต่ถ้าเราไม่ทําบาปเลยรักษาศี่ห้าได้เนี่ยเราก็ไม่ต้องไปรับไม่ต้องไปรับผลกรรมของการทําบาปตายไปปั๊บเราอาจจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เลยอยังมีคนบางคนเขาตายไปเขากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ ทำให้เขายังจําอะไรได้อยู่เขาเคยจําว่าเขาจําได้ว่าเคยมาที่นี่เคยอยู่ที่นั่นเคยไปนู่นมานี่ก็เพราะว่าเขาตายแล้วเขาก็กลับมาเกิดเลยไม่ต้องไปรับผลบาปในอบายก่อนอันนี้คือรางวัลอันดับแรกที่เราจะได้รับจากพระพุทธศาสนาได้เรียนรู้จากพระพุทธศาสนา ถ้าเราอยากจะรักษาความเป็นมนุษย์ไว้ขอให้เรารักษาศีลห้าให้ได้ให้บ่อยสุดให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วโอกาสที่เราจะไปเกิดในอบายนี้จะน้อยลงแล้วถ้าเราอยากจะไปเกิดในที่ดีกว่าที่ของมนุษย์ก็คือไปเป็นเทวดาเทวดานี้เรียกว่าอยู่ในสวรรค์สวรรค์นี้มี สิ่งที่ให้เราได้ดูได้ชมที่สวยงามกว่าที่ให้ความสุขกับเรามากกว่าสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้ mm hmm. ความสุขที่เราได้จากการเป็นมนุษย์ mm hmm. เช่นไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนี้สู่ความสุขที่เราจะได้รับจากการไปท่องเที่ยวในสวรรค์ไม่ได้ mm hmm. แล้วถ้าเราอยากจะตายไปแล้วไปสวรรค์ก่อนที่เราจะกลับมาเป็นมนุษย์ เราก็สามารถทำได้เราได้ทั้งสองได้สองรางวัลเลยได้รางวัลของมนุษย์ด้วยได้รางวัลของการไปสวรรค์ไปเป็นเทวดาด้วยด้วยการเพิ่มการการกระทาอีกอย่างหนึ่งคือนอกจากรักษาศีลหแล้วเราก็ต้องทำบุญทำทานเสียสละแบ่งปันข้าวของเงินทองเสียสละประโยชน์สุข ของเราให้แก่ผู้อื่นไปเรามีเงินทองมากกว่าที่เราจะใช้ได้ตายไปเราก็เอาไปไม่ได้เก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้ก็เอาไปให้คนอื่นบ้างช่วยบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของผู้อื่นให้ความสุขแก่ผู้อื่นผู้ที่จะรับการกระทำการให้ทานของเรานี้ ได้ทุกคนไม่ไม่จาเป็นว่าจะต้องทำกับวัดทำกับพระเท่านั้นถึงจะได้บุญถึงจะได้ไปสวรรค์ทำกับใครก็ได้ทำกับพ่อแม่เบื้องต้นควรจะทำกับพ่อแม่ก่อนเลยบิดามารดานี่ก็เป็นพระผมหรือเป็นพระอาหารหันต์ของลูกๆ ก, การที่ลูกๆได้ทำบุญกับพ่อกับแม่นี้ก็ถือว่าได้บุญมากได้ความสุขมากบุญก็คือความสุขใจนี่ ความสุขใจที่จะหล่อเลี้ยงจิตใจหล่อเลี้ยงดวงวิญญาณหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเวลาที่เราไม่มีร่างกายเราไม่สามารถใช้ร่างกายพาเราไปหาความสุขต่างๆได้แต่บุญนี่แหละจะเป็นผู้มาทําหน้าที่แทนร่างกายเป็นผู้ที่จะพาเราไปท่องเที่ยวในโลกทิพย์กันไปท่องเที่ยวในสวรรค์กัน นั้นพยายามสะสมบุญให้มากมากสะสมความสุขให้มากมากในเบื้องต้นเราก็ทำกับพ่อแม่ก่อ น, นต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ให้ดีให้พ่อแม่มีความสุขแล้วขั้นต่อไปเราก็ไปทากับวัดกับศาสนาถ้าเราเป็นชาวพุทธเพราะศาสนานี้เป็นส่วนสำคัญเป็นผู้ที่จะคอยสอนคอยบอกคอยให้ความรู้ กับเราเราต้องมีศาสนาเราถึงจะรู้เรื่องราวที่เรากำลังได้ยินได้ฟังกันตอนนี้ถึงแม้เราได้ยินได้ฟังแล้วเราก็ต้องคิดถึงอนุชนนุ่นหลังคือลูกหลานของเราที่จะมาเกิดต่อไปเราก็ต้องทำนุบบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ในโลกนี้ไว้นานๆเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์ต่อลูกหลานของเราต่อไป ทำทำบุญที่บ้านก่อนทำบุญกับบิดามานดาเร็จแล้วถ้ายังมีเหลือมีพออยากจะไปทำที่วัดก็เลือกไปทำได้ไปทำวัดต่างๆแล้วพอหลังจากนั้นถ้ายังอยากจะทำไปทำที่อื่นอีกก็ไปทำได้ทำที่โรงพยาบาลก็ช่วยให้มีที่สถานที่รักษาพยาบาลทำที่โรงเรียนก็จะได้มีที่ศึกษา ให้คนมาเรียนหนังสือจะได้มีวิชาความรู้จะได้ไปทำคุณทำประโยชน์ให้กับสังคมนอกจากนั้นก็ยังทำให้กับพวกสัตว์เดรัจฉานผู้อาภัพวาสนาได้ปล่อยนอกปล่อยปลาไปปก ท, ทายชีวิตวัวควายเป็นต้นนี่ก็เป็นการกระทำบุญแบบต่างๆ ผลก็คือตายไปได้ไปสวรรค์กันทุกคนจะทำแบบไหนก็ได้จะได้มากได้น้อยก็อยู่ที่ทำมากหรือทำน้อยแต่การทำมากน้อยของแต่ละคนนี้มาวัดกันไม่ได้เช่นคนทำพันหนึ่งอีกคนทำหมื่นหนึ่งนี่จะไม่ในหมายความว่าคนทำหมื่นหนึ่งนี้อาจจะทำมากกว่าคนที่ทำพันหนึ่งมันขึ้นอยู่กับว่ากาลังทำของเขามีมากน้อยต่างกัน คนที่ทำพันหนึง่งถ้าเขามีเขามีอยู่หมื่นหนึ่งเขาทำพันหนึ่งนี่เขาก็ทำร้อยละสิบเลยแต่คนที่มีล้านหนึง 10, 1, น่งทำหมื่นหนึ่งเขาก็ทำเพียงร้อยละหนึ่งเน่อย่างนี้ถ้าเปรียบเทียบกันแล้วคนที่ทำพันหนึง่งกับทํามากกว่าคนที่ทำหมื่นหนึง่งเพราะว่าเขาเสียสละมากกว่าคนที่ทำหมื่นหนึง่งเขาเสียร้อยละสิบแต่คนที่ มีเงินล้านทเหมื่นหนึ่งก็เสียร้อยละหนึ่งเท่านั้นเองอันนี้ฉะนั้นไม่ต้องไปดูปริมาณเงินของคนอื่นดูที่ปริมาณของเราถ้าเราทาพันหนึ่งแล้วอยากจะได้บุญมากกว่านี้เราก็ต้องทาสองพันเพราะทำพันหนึ่งกับสองพันนี่มีความรู้สึกต่างกันไม่เชื่อลองทําดูเวลาทาพันหนึ่งกับสองพันจะรู้สึก จิตใจสดชื่นสุขมากกว่ากันมากน้อยต่างกันอันนี้ถึงมีสวรรค์ชั้นต่างๆไม่เหมือนกันมีสวรรค์หชั้นก็เพราะว่ากําลังของการทําบุญของแต่ละคนมีมากน้อยไม่เท่ากันนั่นเองนอกจากการทําบุญด้วยเงินทองแล้วถ้าเราไม่มีเงินทองเราก็ทําด้วยวิธีอื่นได้เราใช้ร่างกายเราไปทําประโยชน์ได้ไปทํางาน อาสาสมัครต่างๆได้ไปช่วยทาคุณทำประโยชน์ให้กับคนอื่นไปช่วยคนแก่คนชราบางทีเขาต้องการความช่วยเหลือเขาทำอะไรเองไม่ได้เรามีเวลาว่างเราก็ไปรับใช้สังคมรับใช้ผู้อื่นด้วยการใช้ร่างกายของเราหรือถ้าเรามีวิชาความรู้เราก็ไปสอนผู้อื่นได้ เพื่อเขาที่จะได้เอาความรู้ไปเป็นเครื่องมือท ร, รมาหากินหาเงินหาทองเพื่อให้เขาอยู่สุขสบายขึ้นมาได้นี่ก็เป็นการทำบุญเหมือนกันเป็นการย ก, ยกระดับจิตใจของพวกเราให้สูงขึ้นให้ขึ้นไปจากมนุษย์ไปเป็นเทวดาพอร่างกายนี้ตายไปถ้าบุญที่เราทำนี้มากกว่าบาปที่เราทำบุญก็จะพาเราไปสวรรค์ พาเราไปท่องเที่ยวในโลกทิพย์กันแล้วพอบุญที่พาเราไปหมดเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่นี่ระดับที่สองที่เราจะได้รับจากการมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าเราทำบุญทําทานรักษาศีหห้าให้เป็นปกติได้รับรองได้ว่าตายไปนี้จะไม่ไปเกิดในอบายจะไปเกิดเป็นเทพในสวรรค์ถกชั้นนี้ แล้วหลังจากนั้นก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ถ้าเราอยากจะได้รับรางวัลที่สูงกว่านี้คืออยากไปสู่สวรรค์ชั้นพรมที่มีความสุขมากกว่าสวรรค์ชั้นเทพเนี่ยเราก็ต้องเพิ่มการปฏิบัติการกระทําคือเพิ่มศีลจากศีลห้าไปเป็นศีลแปดลองรักษาศีลแปดเพราะเราจะเปลี่ยนวิธีหาความสุข เทวดามนุษย์นี่หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่พบนี้เขาหาความสุขทางใจหาความสุขที่เกิดจากความสงบเขาก็ต้องเลิกหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ต้องถือศีนแปดเพราะสีลแปดนี้เพิ่มอีกสามข้อสามข้อที่เพิ่มขึ้นมาก็เพื่อให้เราหยุดหาความสุขทางร่างกายนั่นเองทางตาหูจมูกลิ้นกาย เช่นศีลข้อสามก็เปลี่ยนจากการไม่ประพฤติผิดประเวณีมาเป็นการไม่ร่วมหลับนอนกับใครไม่ว่าจะเป็นสามีหรือภรรยาของตนก็ไม่ร่วมหลับนอนกันเจ้าเวลาร่วมหลับนอนนั้นไปสร้างความสุขทางใจด้วยการไปฝึกสมาธินั่งสมาธิทําใจให้สงบล้วก็เพิ่มศีลข้อหกข้อเจ็ดข้อแปดศีลข้อหกก็ไม่กินอาหารมากเกินไป ถ้ากินอาหารเพื่อเลี้ยงร่างกายเนี่ยกินวันละมื้อก็พอหรือถ้าจะกินมากกว่า น, นั้นก็ไม่ให้เกินเที่ยงวันเพื่อที่จะได้เอาเวลาหลังจากเที่ยงวันนี้มาให้อาหารทางใจคือมาฝึกสติมานั่งสมาธิถ้าเรามัวแต่ไปยุ่งกับการกินอาหารกว่าจะมีเวลาว่างมาปฏิบัติมานั่งสมาธิก็ต้องมืดค่ำไปแล้วต้องกินอาหารค่ก่อน กินอาหารข้ามเสร็จมันก็ง่วงนอนแล้วเสะก็ <g ül> ไม่อยากจะไปนั่งสมาธิก็เลยต้องห้ามไม่ให้กินอาหารมากเอาแค่เที่ยงวันก็พอหลังจากกินแล้วเดี๋ยวสักชั่วโมงสองชั่วโมงก็หายง่วงแล้ว <g ül> ก็เริ่มปฏิบัติทําได้ตั้งแต่ในช่วงบ่ายไปเดินจงกรมเพื่อเจริญสติฝึกสติก่อนแล้วพอมีสติก็มานั่งสมาธิต่อนั่งก็ไม่ง่วงไม่สับประกเนีย แต่ถ้ากินอาหารเสร็จใหม่ๆไปนั่งแล้วมันจะหลับนคอจะพับนะนั่งแล้วไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดผลนี่คือศินข้อหกคือให้เราอย่า ก, กินอาหารมากเกินไปเอาแค่เที่ยงวันก็พอศินข้อเจ็ดก็ให้เราเลิกเที่ยวกันเลิกหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายไม่ร้องลัมทำเพลงไม่ดูมอหระศพบันเทิงอะไรต่างๆ แล้วก็ไม่เสริมสวยความงามทางร่างกายให้เสียเวลาเป็นความงามความสุขชั่วประเดียวประดาทำเสริมสวยความงามออกไปเที่ยวมาเดี๋ยวกลับมาบ้านก็ต้องล้างหน้าเวลานอนผมเเ้าก็ยุ่งไม่หมดนะตื่นขึ้นมาก็เป็นคนละคนนะถ้าเราไปปฏิบัติธรรมเราก็ไม่ต้องออกไปข้างนอกก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเสริมสวยความงามแต่อย่างใดแต่งกายแบบเรียบง่าย วีผ้าหวีผมให้มันเรียบร้อยก็พอล้างหน้าล้างตาให้มันสะอาด ก, ก็ใช้ได้แล้วเราไม่ได้เอาร่างกายไปโฉกใครอวดใครเราเดินจมกลมนั่งสมาธิเพื่อฝึก จ, จิตเพื่อสอนจิตให้เข้าสู่ความสงบเพราะเมื่อจิตสงบเป็นฌานแล้วเราจะได้ความสุขที่เหนือกว่าความสุขของเทพความสุขของมนุษย์ที่พพุทธเจ้าบอกเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง ก็จากการที่เรามีเวลามาฝึกสมาธิกันจะมีเวลาเราก็ต้องถือศีลแปดกันพอศีลแปดจะห้ามแม่เราไปทำกิจกรรมอย่างอื่นนั่นเองแล้วก็ห้ามแม่เรานอนมากเกินไปศีลก้แปดก็ไม่ให้เรานอนมากเกินไปโดยการห้ามไม่ให้นอนบนเตียงนั้นเตียงใหญ่ๆฟูกหนาะๆนะเพรมันสบาย เวลาร่างกายตื่นจากการพักผ่อนหลับนอนมันจะไม่อยากลุกมันอยากจะนอนต่อแล้วก็จะทําให้นอนต่ออีกหลายชั่วโมงแต่ถ้านอนบนพื้นแข็งๆเนี่ยพอร่างกายได้พักผ่อนหลับนอนพอแล้วพอตื่นขึ้นมาก็จะไม่อยากจะนอนต่อเพราะมันไม่สบายเราจะได้มีเวลามาฝึกจิตกันมาทําจิตใจให้สงบกันได้ต้องมีการถือศีลแปด เป็นเครื่องมือสนับสนุนการถือศีลแปดอย่างเดียวยังไม่ส่งให้เราไปสู่สวรรค์ชั้นพรห ม, มโลกได้เป็นเพียงแต่เป็นการดึงให้เราออกจากสวรรค์ชั้นเทพไม่ให้เราไปติดอยู่การการเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเพื่อที่เราจะได้มีเวลามาเจริญสติเพื่อมาควบคุมจิตใจให้สงบต้นเองถ้าเรา หัดเจริญสติคอยควบคุมใจด้วยกรรมฐานกรรมฐานนี้เป็นเครื่องที่จะสร้างสติเป็นเครื่องที่จะมาหยุดความคิดต่างๆของเราถ้าไม่มีกรรมทะกรรมฐานก็เหมือนกับรถที่ไม่มีเบรกรถที่ไม่มีเบรกเวลาขับไปแล้วเวลาอยากจะหยุดที่ตรงไหนก็หยุดไม่ได้เพราะไม่มีเบรกให้มัน หยุดมันันใดใจของเราจะสงบไม่ได้ถ้าไม่มีสติถ้าเราไม่มีกรรมฐานสติก็ไม่เกิดสติที่เรามีอยู่ตอนนี้มีไม่พอมีพอที่จะรักษาศีลห้าได้รักษาศีลแปดได้แต่ไม่มีสติพอที่จะไปหยุดจิตให้สงบให้เป็นสมาธิให้เป็นฌานขึ้นมาได้เราต้อง เราต้องอาศัยกรรมาฐานสร้างสติขึ้นมาด้วยการเจริญกรรมาฐานบทใดบทหนึ่งกรรมาฐานนี่มีสี่สิบบทมีอยู่สี่สิบชนิดแต่เราไม่ต้องใช้ทั้งสี่สิบชนิดเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับอาหารเวลาไปร้านอาหารก็มีอาหารสี่สิบชนิดเราไม่สั่งมาทั้งสี่สิบชนิดเราเลือกอาหารที่ถูกกับเราเราชอบอาหารชนิดไหนเราก็เลือกอาหารชนิดนั้น การทำจิตให้สงบแล้วก็เลือกกรรมฐานที่ถูกกับเราที่ง่ายที่สุดก็คือการเราเลือกถึงพระพุทธเจ้าเให้เราเลือกถึงชื่อของพระพุทธเจ้าคือพุทโธพุทโธถ้าเราหมั่นท่องพุทโธพุทโธไปภายในใจใจก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้เพราะใจจะต้องคิดอยู่กับคําว่าพุทโธพุทโธไปนั่นเอง ในเบื้องต้นมันก็จะแย่งกันความคิดมันก็ยังจะดึงใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่เราก็พยายามดึงมาให้มาพูดมาคิดทางพุโทโธพุโทโธอย่างตอนต้นนี้เราต้องอดทนเพราะเป็นเหมือนการชักกเยกันพุโทโธได้สองสามคำเดี๋ยวเผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วพอได้สติก็ไม่ได้พุโทโธแล้วก็กลับมาใหม่มาพุโทโธใหม่พยายามทาไปอย่างนี้ทั้งวันทั้งคืน เพราะการจเจริญพุทธโธนี่เราทำได้ตลอดเวลาตั้งแต่ลืมตาขึ้นมานี่เราเริ่มพุทธโธได้นะเวลาเราไปทำกิจกรรมที่ไม่ต้องใช้ความคิดเราก็พุทธโธได้อาบน้าล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารพยายามใช้พุทธโธไปเราจะทำให้เรามีสติมากขึ้นมากขึ้นพอเวลาเรามานั่งสมาธิเราก็จะสามารถให้ จิตอยู่กับพุทธโธได้หรืออยู่กับลมหายใจได้ถ้าจิตตั้งอยู่กับลมหายใจหรืออยู่กับพุทธโธไม่นานจิตก็จะหยุดคิดจิตก็จะนิ่งสง บ, บแล้วก็จะเกิดความสุขของระดับพรมโลกขึ้นมาเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขของเทพของมนุษย์นี่คือผลที่เราจะได้รับถ้าเรามาหัดรักษาศีลแปกัน แล้วก็พยายามฝึกสติจเจริญกรรมาฐานพุทธโธพุทธโธมีเวลาว่างก็นั่งสมาธิดีกว่าไม่นั่งดูละครดูหนังดูแล้วก็เครียดบางที ด, งดูแล้วก็ฟุ้งซ่านดูแล้วบางทีก็นอนไม่หลับสูมาดูพุทธโธดีกว่านั่งหลับตาดูพุทธโธพุทธโธไปหรือดูลมหายใจไปเดี๋ยวใจก็จะสงบ เราจะพบกับความสุขที่เป็นความสุขที่มหัศจรรย์ใจที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าลดแห่งธรรมชนะลถทั้งปวงเนี่ยนี่แหละคือความสุขที่เหนือกว่าความสุขทางโลกความสุขที่ได้จากถูกการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งในวันนี้ก็สู้ความสุขที่จะได้จากการทําใจให้สงบไม่ได้เอาจิงๆ ถ, ถ้าได้ถ้าได้ทั้งสองอย่างเราจะให้เลือกรับประกันได้ว่าจะต้องเลือกเอาความสุขที่เกิดจากความสงบ ไม่เช่นั้นมหาเศรษฐีหรือพระเจ้าแผ่นดินไม่ลาไปบวชกันนะพระพุทธเจ้าเป็นราชโอรสก็ลาไปบวชเพราะพระพุทธเจ้าเคยสัมผัสกับความสุขที่เกิดจากความสงบมาก่อนสมัยที่เป็นเด็กหรือว่าไม่มีความสุขที่เหมือนกับความสุขแบบนี้ดังนั้นพยายามถือศีลแปดกันจุดเริ่มต้นก็คือวันพระนี้วันที่สะดวกเพราะเราไม่ต้องไปทำงาน ถ้าไปอยู่วัดได้ไปอยู่ที่สงบไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับใครได้จะดีเพราะการปฏิบัติขั้นนี้ต้องอยู่คนเดียวถ้าไปอยู่กันหลายหลายคนนี่มันจะรบกวนกันงนั้นพยายามหาที่สงบเพื่อที่เราจะได้เจริญสติแล้วพอมีสติเวลานั่งสมาธิใจของเราก็จะสงบได้นี่คือรางวัลขั้นที่สามที่เราจะได้รับจากการมาเกิดเป็นมนุษย์ แต่ยังมีขั้นที่สูงกว่านี้คือขั้นที่สี่คือขั้นของพระอริยเจ้าขั้นของพระโสดาบันขั้นของพระสกิดาคามีขั้นของพระอนาคาามีและขั้นของพระอรหันต์การที่เราจะได้ขั้นธรรมะได้ประโยชน์หรือได้รางวัลของของขั้นของพระอริยเจ้านี้เราต้องเจริญการปฏิบัติอีกอีกขั้นหนึ่งคือการเจริญปัญญา คือการศึกษาให้รู้ว่าอะไรที่จะทําให้จิตนี้จเจริญสูงกว่าการเป็นพรหมการที่จะทําให้จิตสูงกว่าการเป็นพรมหพรมให้เป็นพระอริยบุคคลเราต้องมีปัญญาคือเราต้องรู้จกักพระอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาว่าเป็นอย่างไรต้องรู้จักอริยสัจ ส, สีว่าเป็นอย่างไร นี่คือปัญญาที่เราจะต้องมีในการที่จะยกระดับจิตของเราให้สูงจากการเป็นพรหมให้ไปสู่เป็นพระโสดาบานันพระสกิดาคาพระอนาคาและพระอาหารหันต์ได้จำเป็นจะต้องมีดวงตาเห็นธรรมเห็นไตรลักษณ์เห็นอนิจจังทุกขงังอนัตตา คือเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นของไม่เที่ยงความสุขต่างๆในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นความสุขของมนุษย์ความสุขของเทวดาความสุขของพรหมนี้เป็นความสุขชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสื่อมหมดไปพอเป็นพรหมบุญที่ส่งไปให้เป็นพรหมพอหมดลงก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องมาเจอความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายใหม่ ก็ถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปก็ต้องไม่หาความสุขจากความสุขของการเป็นมนุษย์ความสุขของการเป็นเทพความสุขของการเป็นพรหมให้ตัดไปให้หมดเวลาอยากจะเสพความสุขเหล่านี้ให้ใช้ปัญญาให้เห็นว่ามันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงแบบนี erm ้จัง พอบรนไปนัดจา้างมันก็จะทำให้เกิดทุกข์ขังขึ้นมาพ อ, พอความสุขที่ได้หมดไปมันก็ทำให้ใจเราทุกข์แล้วมันก็จะดึงให้ใจเราตกลงมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วมาทุกข์กับการมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องตัดความอยากทั้งสามนี้ความอยากเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสของมนุษย์้วยของเทวดาไปือลากามตัญหา ละภาวะตัณหาคือความอยากจะเสพความสุขของพรหมที่มีรูปคือความเสพคือความสุขของรูปประจานต่างๆก็ต้องละไปถ้ามีความอยากจะเสพความสุขของอรูปประจานก็ต้องละไปถ้าเราละความอยากทั้งสามนี้ได้แล้วเราก็จะตัดการที่เราจะต้องกลับมาเกิดใน ตายๆพบอีกต่อไปไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปไม่ต้องมารักษาศีลมาทำบุญให้เหนื่อยยากอีกต่อไปเราจะไปอยู่ที่นิพพานแทนนิพพานที่เป็นที่ที่มีความสุขสมบูรณ์ณถฐาวรที่ไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดนี่แหละคือรางวัลสูงสุดของพระพุทธศาสนาก็คือการยกระดับจิตให้ไปเกิดในนิพพานให้ไปอยู่ที่นิพพาน พอจิตถึงนิพพานแล้วจิตก็จะไม่มีวันที่จะตกที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทพเป็นพรหมอีกต่อไปอนี่แหละคือสิ่งที่เราจะได้รับจากการที่เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราซื้อลอตเตอรี่แล้วแต่เราไม่รู้ว่าเราถูกรางวัลหรือเปล่าเราต้องไปตรวจรางวัลกันใช่ไหมวันนี้เดี๋ยวคนที่ซื้อลอตเตอรี่ต้องไปหาที่ตรวจกันนะถ้าไม่ตรวจก็ไม่รู้ถูกหรือเปล่า อันนี้ก็เหมือนกันการที่เราจะมาตรวจรางวัลว่าเราได้เราได้รางวัลอะไรหรือไม่นี้เราต้องมาเจอพระพุทธศาสนาเท่านั้นถ้ามาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาเราก็ไม่รู้มาเกิดทำไมเหมือนคนที่ไม่มีศาสนาเขาก็บางทีเขาก็คิด ถามตัวเขาเองว่ากู้มาเกิดทําไมวะเกิดมาแล้วก็มีแต่เรื่องวุ่นวายต่างๆมีแต่ปัญหาต่างๆความสุขที่หามาได้เท่าไหร่มันก็หายไปหมดมันไม่อยู่ติดกับเราไปนานๆเลยนี่เพราะว่าไม่มีศาสนาถ้ามีพระพุทธศาสนาแล้วจะรู้ว่าคําตอบว่ามาเกิดเพื่อมารับรางวัลต่างๆนี่เองถูกรางวัลแล้วจะเลือกรับรางวัลไหนก็ได้ จะเลือกรางวัลของการเป็นมนุษย์ก็ได้เป็นเทวดาก็ได้เป็นพรหมก็ได้เป็นพระอริยบุคคลก็ได้ไปนิพพานก็ได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดต่อไปก็ได้นี่แหละคือเรื่องของการที่เรามาเกิดเล่าได้มาพบกับพระพุทธศาสนามีคุณ ม, ม, ป ม, ณมปีประโยชน์อย่างที่ได้สแสดงมาแล้วก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา จะขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวะเลกวาหาปุราปะเลปุเรนติสากลังเอวเมวะฮิโตทินังเปตานังอุ ป, ปกบปติอิชิตังปะชิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกะปา จันโทปนาราโสยถามณิโชติราโสยทาสัพพิติโยวิวาจันโตสัพพโรโคนวินาศตุมาเตภวาโตอันตารายอสุขีทีขายุโกภวะ พิวาทะนศีลิสานิจังุทาปะจายนโนจตารโรธรรมวัฏฐานติอายุวโนสุขังภาลางช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะรู้เรื่องอะไร ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่เจ้าค่ะทางเฟซบุ๊ก4044ยูทูบ290วิทย์ออนไลน์23รับฟังบนขา 7, ่าว237รวมทั้งสิ้น994ท่านเจ้าค่ ะ, ะเชิญถามได้กลับนมัสการหลวงพ่อนะคะ <c oughs> <c oughs> เโยมเป็นหัวหน้างานทีนี้เนี่ยมอก็มีลูกน้องมากมายแล้วก็จะมีลูกน้องอยู่คนหนึ่งที่ไม่เพอร์ฟอร์มแล้วก็ทําความเสียหายกับบริษัทแล้วกเ็เจ้านายหรือผู้ใหญ่เนี่ยก็ให้บอกให้โยมเนี่ยเอาออกหมายถึงว่าไล่ออกโยมก็เขาทําความเสียหายกับบริษัทจริงๆแล้วก็ ไม่ถึงคำหนาดโกงนะคะแต่ว่าไม่ทํางานแล้วก็สร้างความร้าวฉานแล้วก็หลายอย่างมันถึงเวลาที่จะต้องเอาเขาออกแต่โยมเนี่ยไม่กล้าเพราะว่าโยมก็เป็นคนพูดนะเนาะถ้าเขาเดือดร้อนเนี่ยพ่อแม่พี่น้องลูกเขาจะอยู่ยังไงแต่ในความที่แอสเซมบลิเนเอร์เนี่ยโยมก็ต้องเอาออกตอนเนี้มันถึงเวลาที่ลูกต้องตัดสินใจให้โยมต้องตัดสินใจว่าจะทำยังไงกับเขาดีก็ยังไม่กล้าไม่กล้าที่จะไล่เขาออกเนี่ยคะ่ะมันรู้สึกผิดอะคะ่ะ คือมันไม่ผิดหรอกแล้วถ้าเราทําตามหน้าที่แล้วเขาผิดมันก็ต้องทําไปแม่กับพระนี่พระพุทธเจ้าก็าาาให้ อ, ออกนะไปทําผิดศีล็เป็นร่วมหลับนอนกับศีกาก็าให้ออกจากการเป็นพระได้เพราะั้นถ้าทําผิดมันถ้าต้ออยู่ต่อไปก็จะทําลายระบบทําลายสังคมก็อยู่ไม่ได้แต่เราไม่ต้องอพูดแบบหยาบคายไล่เขาพูดคุยกันดีๆ พูดด้วยเหตุด้วยผลว่าเหตุที่จะต้องให้คุณออกก็เพราะว่ามีปัญหาอย่างนี้อย่างนี้ตามเกิดขึ้นแล้วผู้ที่เขามีอำนาจเหนือเราเขาสั่งลงมาเราก็ทําอะไรไม่ได้นอกจากว่าถ้าเราขออนุญาตผู้ใหญ่ว่าขอให้โอกาสเขาอีกสักครั้งได้ไหมล้วบอกเขาว่าคุณต้องปรับปรุงตัวเองนะอถ้าทําได้ก็ไม่มีปัญหาเขาคงจะไม่ว่าอะไรก็พูดได้เท่านี้ออ แต่เราไม่ผิดหรอกนะเรามันก็เป็นทำตามเนื้อผ้าไม่ได้ทำด้วยอารมณ์หรือทำด้วยความโกรธเกลียดชังแต่อย่างใดไม่ได้ทำด้วยการกั่นแก้งอะไรทำนองนี้วันนี้คิดว่าเวลาหมดพอดีนะก็ต่างบ้านก็ขอไว้วันพรุ่งนี้ this is about the time we have for today so we will we will end this talk at this time thank you for your question and your company